จะเช้าอย่างนี้อ้อยท่านทั้งหลายจงตัดความง่วงเหงาหอมนอนพยายามหายใจให้ลึกเข้าไปในท้องเรามากๆหายใจลึกๆเข้าไปแล้วค่อยๆ ค, ค, คลายจนกว่าท้องเราแห้ง หายใจลึกๆเข้าไปสักสามครั้งไม่ต้องรีบแล้วก็ค่อยๆปล่อยรมหายใจของเราเนี่ยให้ท้องแห่งๆแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ทำไมหลวงพ่อให้หายใจลงไปลึกๆ พท้องของเราเนี่ยพอเราหายใจเข้าไปลึกๆเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังเหมือนเป็นกำลังพอเราหายใจจนท้องแห้งเนี่ยลมที่มันค้างค้างอยู่ในท้องที่เราหายใจไม่สม่าเสมอหายใจยาวบ้างสั้นบ้าง รีบหายใจบ้างบางทีเผลอหลับไปบ้างระบบลมหายใจของเรานั้นเรียกว่าขาดคำว่าขาดก็หมายถึงว่าไม่สม่ำเสมอคือการหายใจของเรานั้นมันไม่เท่ากันเมื่อใจของเรานั้นหายใจไม่เท่ากันเนี่ยลมเข้าออกไม่เท่ากัน จิตของเรานั้นก็เริ่มสับสนอารมณ์เราก็เริ่มแปรปวนตามสภาพของอารมณ์ที่หายใจสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างสติที่เรากำหนดรู้ตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแปรสภาพโดยไม่รู้ตัว แสภาพของอารมณ์อารมณ์ก็คือความคิดนั่นเองการปรุงแต่งของอารมณ์ที่ทั้งวันทั้งคืนที่นักปฏิบัติทั้งหลายได้ไเผชิญกับอารมณ์ทางหูทางตาทางจมูกทางริ้นทางใจทั้งหลายภายใน24ชั่วโมง จึงบอกว่าเชาาๆอย่างนี้พยายามยิ้มเขาไว้เมื่อลมหายใจของเราเนี่ยคงค้างอยู่ในท้องไม่สม่ำเสมอในขณะที่เราจิตเข้าสู่สมาธิสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเมื่อเราตั้งใจเนี่ยให้จิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่าน เราเคยมีจิตที่ฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนในขณะ น, นี้เรากำลังฝืนฝืนความฟุ้งซ่านทางจิตที่จิตเราฟุ้งซ่านคิดนึกปรุงแต่งได้ทั้งวีทั้งวันโดยที่เรานั้นหายใจโดยยาวบ้างสั้นบ้าง อย่างเช่นจิตเกิดความรู้สึกดีใจการหายใจก็รู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยเต้นแรงขึ้นระบบการหายใจก็ผิดปกติแล้วในขณะเราตกใจหัวใจก็เต้นแรงขึ้นอีกถี่ขึ้นอีกสภาพลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกโดยขาดสติ ทั้งวีทั้งวันเนี่ยระบบการหายใจของเราเนี่ยจึงไม่เป็นปกติยาวสั้นไม่เท่ากันเรียกว่าจิตใต้สำนึกของคนเนี่ยการฝึกสมาธิเนี่ยมีจิตเป็นกุศลเนี่ยไม่เท่ากันบางคนก็ได้ห้านาทีสมนาทีบางคนก็ได้แค่หนึ่งวินาที บางคนก็ได้เป็นชั่วโมงเราลองสังเกตตัวเราเองว่าในขณะบางวันเรานั่งสมาธิการปฏิบัติของเราเนี่ยรู้สึกดิ่งสงบรู้สึกพึงพอใจปรารถนาในการภาวนาของเราในวันนี้พออีก สักวันใหม่หรือชั่วโมงหนึ่งมานั่งใหม่อารมณ์ก็เปลี่ยนใหม่ไปอีกอยากให้สงบเหมือนครั้งที่แล้วแต่ทำไมมันไม่สงบเหมือนครั้งที่แล้วกับมีอารมณ์แปรปรวนง่วงเข้ามาแทรกความปวดเมื่อยก็เข้ามาแทรกไม่เหมือนจิตที่เรา ภาวนาที่ผ่านมานี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักปฏิบัติเกิดความฟุง้งซ่านก็เพราะว่าเราหายใจโดยไม่มีสติทั้งวี่ทั้งวันบางทีก็มีความรู้สึกเสียใจคนที่มีความรู้สึกเสียใจเนี่ยรู้สึก หัวใจเนี่ยมันเต้นช้าลงมันหดโ ห, หย่อนยานหายใจท่าก็จะไม่อยากหายใจอย่าอย่าพูดเลยว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่คนที่เสียใจเพราะนั้นไอ้จิตของเราก็คือหัวใจเนี่ยระบบการหมุนเวียนของเลือดลมเราก็ดี ระบบการหายใจเราเนี่ยแปรปวนอยู่ตลอดเวลาใจที่เราเต้นทุบทุที่หมอก็จับในการตรวจหัวใจว่าหนึ่งนาทีเนี่ยเต้นได้กี่ครั้งไอ้หมอมันก็มาจับตอนในขณะที่เราเนี่ยหายใจเป็นปกติคือตั้งใจตรวจหัวใจเราบางทีก็เต้นปกติไม่ปกติ ชาเร็วไม่เท่ากันฉันได้ก็ฉันนั้นนักปฏิบัติเนี่ยไม่เข้าใจก็นึกว่าเราบุญน้อยมั่งทำไมเราจึงประพฤติปฏิบัติไม่ได้อย่างเขาก็เกิดความฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกเกิดความท้อถอยเกิดความลังเลสงสัยไปหมด บางทีก็มีมาแรงมีตัวอะไรแต่เลยมาตายอยู่ๆก็ตายเกือบมันจะเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเราเราก็รู้สึกก็ไปจับจดอยู่ที่นั่นไม่ได้จับอยู่ในความรู้สึกที่หัวใจของเราก็คือจิตแล้วขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายจงมองมุ่งเข้าไปในจิตใต้สํานึก ก็คือหัวใจเรานั่นแหละคือจิตวิญญาณเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณเนี่ยรับรู้ความร้อนหนาวความรู้สึกว่าอะไรมากระทบความรู้สึกที่เราคิดตามนึกตามเรียกว่าจิตวิญญาณเหมือนอะไรมากัดร่างกายเราเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บ แต่มันไม่ได้เจ็บที่ใจมันเจ็บตรงขณะที่มันถูกกัดมันคนละที่แต่มันมีความรู้สึกที่ที่จิตใต้สํานึกคนที่นึกเนี่ยปุงแต่งได้ทั้งวี่ทั้งวันตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยตามสภาพของกรรมตอนเล็กๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเปรต เป็ดที่คอยดูดกินกินนมพ่อกินนมแม่กินสังขารร่างกายกินเหงือกิกนไค่ของพ่อแม่แอบดูดแอบกินในบ้านเลย น, ะนอนทั้งวันทั้งคืนไอเด็กตัว น, น้อยเนี่ยมันกินทั้งปากทั้งหูไม่ได้ <c oughs> มันก็กินทางสายสะดือน แม่ทานอาหารมาเท่าไรเท่าไรเนี่ยไอ้อสุรกายตัวเนี้ยมันก็กินทั้งสายสะดือนะกินยังเติบใหญ่จนท้องแม่เนี่ยโปอนออกมาใหญ่จนคับท้องเลยนะโรคทั้งใบเนี่ยมันก็นอนสบายมันหิวมันก็ดิน้นออกกำลังกายแถมมีน้ำรอเลี้ยงด้วยนะ เขาเรียกว่ามีลามห่อเลี้ยงมีน้ำคล่ำรอเลี้ยงให้มันแหวกวายเล่นดินสะดวกสบายไอคนเป็นแม่ก็มีธุรจิตว่าโอนี่ลูกคนเป็นพ่อก็โอนี่ลูกพันธุกกรรมของเราแต่ไม่รู้เลยว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากกรรมก ร, รมก็คือกามมรรตหาก ร, รมก็หมายถึงว่าสามีเสพภรรยาเราก็เห็นพ่อแม่เราเนี่ยเสพมามีพี่มีน้องมีเครือญาติทั้งพ่อและแม่เนี่ยมากมายแต่ก็ไม่พ้นต่อความวุ่นวายค่อคอ่คอยคิดไป เข้าสู่สมถะสมถะก็คือการพิจารณาที่หลวงพ่อเหบอกนั่นเองสมถะสมถะน็คือการพิจารณากายในกายเห็นว่าร่างกายเราเนี่ยตอนเนี้ยในขณะนี้เนี่ยกำลังพิจารณาจิตของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรุงแต่งมองถึงตัวเองว่ากำลังนั่งอยู่ นั่งแล้วก็มองเห็นตัวเองว่ากำลังภาวนาก็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทสมถะ ก, ก็คือการพิจารณากายในกายเพื่อให้เห็นว่าร่างกายของเรานั้นจุติมาจากอะไรทำไมร่างกายเราถึงบอกว่าเป็นหลังของโลก ทำไมบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจึงเป็นตัวอันที่จังเป็นของไม่เทียงหลวงพ่อกำลังบอกตั้งแต่จุดติเมื่อเรามองเห็นสังขารเรานั่งอยู่ในขณะนี้เรียกว่าสมถะและเราก็เข้าสู่วิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาอันรอบรู้ในกองสังขาร เมื่อเรานั่งมีสมรรพิจารณาแล้วก็เอาปัญญาเนี่ยมาพิจารณาหาเหตุหาผลที่แท้จริงที่หลวงพ่อกาลังบอกอยู่เพราะเราเนี่ยมีอวิชชาอาวิชชาก็แปลว่าไม่รู้ความโง่เงาเหานอนเนี่ยความง่เงาเหานอนเขาอีกความฟุงฟ้งซ่านความลังเลเนี่ยมันเกิดความสงสัยเพราะเราไม่รู้ เมื่อลุงพ่อจะบอกให้เรารู้ว่าการที่เราเกิดเนี่ยก็เพราะว่าพ่อแม่และแม่เราเนี่ยเสพกาม เ, เราก็มีวิปัสสนารู้แหละว่าร่างกายเราเกิดจากการเสพกามเมื่อเสพแล้วเราก็จุดติจุดติก็คือเกิดเกิดขึ้นอะไรทําให้มันเกิดขึ้นก็คือความรักความไม่รู้นั่นเอง วิปัสสนาก็เกิดแล้วเราก็มีปัญญาล้ความรักระหว่างพ่อรละแม่หลวงพ่อชี้ให้เห็นมีการเสพกันเหมือนสัตว์ต่างๆนานามาลงต่างๆนานาก็มีการเสพขยายพันธุ์กันโดยที่ไม่รู้ความรักเนี่ยคือความปุงแต่งเขาบอกความรักก็เหมือนคนหูหนวกตามปอด พ่อก็รักแม่ด้วยเห็นรูปนามว่างามนักสวยนักนะจะเอามาครอบครองเอามากอดมาจูบมาหอมเอามาเลี้ยงเอามาเป็นภรรยาแต่ไม่รู้เลยว่าอีสาวคนนี้มันก็เป็นเปรตมาก่อนเกาะพ่อเกาะแม่กินมาก่อนอ่ะก็แปลว่าดีคือดูเหมือนร่างกายดี อสุรกายศูนย์แปลว่าไม่มีมูลค่าร่างกายหญิงคนเนี้มันจอมปอมทางนั้นบางคนถึงก็เอาสีแดงสีดำสีเขียวสีด่างสีสารพัดหมดเอามาแปะมาทาเอามาพอกเพื่อพางความเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็คือสิ่งสกปรกโสมมนมนั่นเอง แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้มองอย่างนั้นมองด้วยสติสติคือความรู้ตัวตัวเองก่อนเหมือนนักปฏิบัติตอนนี้เนี่ยดูแลตัวเองคือพิจารณาตัวเองตามที่หลวงพ่อพูดหัวก็มีขี้หัวเราก็มองดูว่าเรามีขี้หัวต้องโกนหัวกันตลอดผู้หญิงมันก็ต้องสระผมสระหัวตลอด ตาก็มีขี้ตาแล้วก็พิจารณาไปว่าไอ้ตาผู้หญิงนี่มันทําคมขนตางอนทาสีนั้นสีนี้แป๊บเดียวมันก็ต้องไปล้างออกเพราะว่าขี้ตามันออกเยอะแยะไปหมดไอ้ทรงผมสีนั้นสีนี้สวยนั่นสวยนี่หยิกงอมั่งยืดตรงมั่ง ตัดเท่ากันบ้างไม่เท่ากันใส่แสงใส่สีเข้าไปเต็มไปหมดมันก็มีกลิ่นเหม็นต้องสระผมตาก็ต้องมีขี้ตาจมูกคนที่สวยโด่งงามก็มีขี้มูกรองใครเอาขี้มูกมาป้ายหัวเราเนี่ยเราจะรักหรือโกรธ แในขณะเราจีบมันเนี่ยกำลังสวยสาวเราดูเลยแม่กําลังปรุงแต่งมันสั่งคิ้มมุกขาดสเลดน้ําลายจากปากเนี่ยป้ายหัวเราเพราะว่าผู้ชายให้มันผู้หญิงสวยแค่ไหนผู้ชายก็คงเฮ hey, นี่ปัญญาอ่อนน่าเกียจหน้ า, ยาขยะขยะงเมื่อเรามีสติปัญญารู้ว่าไอพ่อแม่เราไม่รู้นี่ คนเป็นพ่อก็รักแม่เราเอามาคอบครองเอามากอดรัดฟัดเวี่ยงนี่เป็นเมียกูเป็นครอบครัวกูฝ่ายเป็นภรรยาก็คือแม่ก็นึกว่าพ่อนี่หล่อเหมือนกันแต่งตัวรูปงามหุ่นดีเหมือนกันที่ทุกคนได้เคยคิดกับผู้หญิงกับผู้ชายเมื่อตามอง ตามันบอดอยู่แล้วมองไม่ไม่เห็นว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มันก็เหมือนซากศพดีๆเนี่ยแหละมันเหมือนเป็อสุลกายสัตว์เดรจานมันก็กินทางปากถ่ายออกอุจจะละปัสวะทางหนักเบาเหมือนกันรำไส้กระเพาะขี้กระเพาะเยี่ยวเนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยมีทั้งอาหารเก่าอาหารใหม่ เวลาผายลมมาหรือว่าอึอุจระออกมาเนี่ยมันหอมไหมล่ะมันเหม็นบางคนถึงก็ต้องอุดจมกูกบางคนถึงก็อุทอบอกแหมมันไสเน่าไงมันกินซากศพเข้าไปไงใครมันตดเนี่ยเหม็นเหลือเกินโอโ้โหเห็นไหมขนาดลมนละออกมาจากท้องเนี่ย ยังเหม็นขนาดนี้แล้วไม่มีใครรู้นะตัวเราก็รู้ว่ากลิ่นปากเราก็เหม็นร่างกายเราไม่อาบน้ำนี่มันก็เหม็นเหนียวเนหนอะหนะไปหมดพอถูแล้วก็ขี้ไข่ออกมาเป็นกรบเบอกะกัเบอะมน้ําเงือ่่น้ําลายก็เหม็นเงือ่อนี่ก็มีกลิ่นติดเสื้อผ้าเลยเหม็นเปรี้ยวเหม็นสาบ รักแลนี่ก็เหม็นขี้เต่าเขาว่ากันเราไม่อาบน้ำสิเนี่ยเหรอพ่อเทวดาแม่เทวดาพอรูปรอแม่คนสวยเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมองด้วยสติปัญญาหาเหตุหาปัจจัยว่าโอ้โนอพ่อแม่กันเริ่มมาเป็นพ่อแม่คนที่เริ่ ม, มรักกัน ก็จะต้องเหมือนพ่อแม่เราเหมือนปู่ย่าตายายเราที่เกิดแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ต้องตายพยายามตะเกียกตะกายทั้งชีวิตหาบ้านหาที่หารถหาแก้วแหวนเงินทองสะสมทับตายก็เอาไปให้ลูกหมดลูกก็ยังไม่เห็นอีกไม่เห็นวัตตะ คือบุพกรรมวิบากกรรมข้อกรรมที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองก็คือกรรมราคก็คือความรักเรียกว่าค้นหาแล้วถึงทางตันถึงเรียกว่าตันหาก็รู้ว่ามันเป็นทางตันของชีวิตนะมันเป็นความยากลำบากมันเป็นทางที่มันมีแต่ฝากนามก็คือนรกนั่นเอง คนที่เปิดใจรักเนี่ยแสดงว่าประตูนรกเนี่ยมันเปิดแล้ว <c oughs> สังเกตคนที่มีความรักรักใหม่ๆเนี่ยประตูเปิดใหม่ๆเนี่ยสัตว์นรกมันก็ดีใจมันเคยอยู่ที่มืดมนตลอดไม่เคยมีใครรู้จักไม่มีใครเห็นเหมือนเราเปิดข้อเป็ดข้อไก่ค้อวัวข้อควายเนี่ย เปิดมันขังมันนานๆวัวควายเป็ดไก่เนี่ก็จะแย่งกันออกบนินวินงวั่นเลยแย่งกันออกความรักก็เช่นเดียวกันมันมืดมนมันไม่เคยเจะเคยเจอเคยเห็นกับโรคที่นึกว่าคิดว่าก็คือปุงแต่งนั่นเองวัาสาวคนนี้มันสวยนัก มันน่าเอามาทำภรรยาไอ้ผู้หญิงก็เช่นเดียวกันมองผู้ชายก็โอ้นี่รูปลอ่อลูปงามนักพูดกับเพาะยิ้มก็บทำอะไรก็เท่ไปหมดวงแขนในกล้ามเป็นมดัม ด, มดเลยมันได้แต่ออกกำลังกายฟิตเนสเท่านั้นแหละแต่มันขี้เกียจทำงานมันจะเพาะร่างกายเพื่อเอาไปหลอก อีลสตีว่ามันแข็งแรงไอ้คนที่ร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็พ่ายแพ้ตั้งแต่เราต้องรู้ตัวเราเองบางคนอ้วนใหญ่แข็งแรงมากแต่ขี้เกียจนอนกินตลอดทําอะไรก็ไม่ทํารู้มากกว่ารา ก, กินก็กินเยอะนอนก็นอนเยอะวเวลาทํางานนั้นนิดเดียว แล้วคนพวกนี้เนี่ยร่างกายดีจิตใจไม่ค่อยดีแล้วคนพวกนี้ก็จะเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเพราะมันเพาะตัวมันมันบุ่มบำลงบำเลอแต่ตัวมันเพื่อไปหลอกผู้หญิงถ้เป็นผู้ชายคนที่สวยคนที่หล่อเนี่ยมักจะมีปฏิกิริยาพูดเพาะพูดดีมีเล่เหลี่ยม หลอกตัวเองไม่พอก็ไปหลอกคนอื่นอีกเหมือนผีเขาเรียกผีเปดอ่ะตัวนี้ก็แปลว่าดีหมายถึงว่ามีดีน้อยคนพวกนี้มีดีน้อยก็คือจิตใจเนี่ยที่เป็นกุศลเนี่ยน้อยมากคิดดีทำดีทำไม่ค่อยได้ทำในระยะสั้น คิดสามนาทีห้านาทีเหมือนในขณะนี้เนี่ยกว่าเราจะนั่งได้ได้นิ่งขนาดนี้เนี่ยกว่าทุกคนพระคุณเจ้าเนี่ยนั่งสงบนิ่งกายขาวสงบนิ่งเนี่ยก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้าที่ตั้งใจกับแม่ทีแม่พามนะที่มีความตั้งใจมาประพฤติปฏิบัต อยากให้หลวงพ่อนี่มาสอนธรรมอยากให้หลวงพ่อนี่มามาเทศนา ร, รมแต่ในขณะที่เทศนาเนี่ยก็ต้องตั้งใจด้วยสมถะก็พิจารณาตัวเองว่าเออจริงเว้ยร่างกายของเราเนี่ยก็มันเหมือนลังของโลกมันก็ลุงกาลังไม่ด้วยผ้าด้วยผ่อน เกิดมาก็ไม่มีผ้ามีผ่อนติดตัวมาเลยเหมือนเป็ดเลยร้องปยีดไปิ ด, ป ด, ปดเด็กอะ่ะมันร้องแล้วเกิดมาออกจากท้องแม่เียก็แหกปากร้องเลยปีดไปปิ ด, ปดหิวก็ร้องเป็นไรก็ไม่พูดไม่จาดดิ้นตะเกียกตะกายแม่ก็ต้องเอานมยัดปากอยู่ตลอดเวลานีนมก็คือเลือดนั่นเองน้ำเลือดน้ำเหลืองจากแม่ น้ำเงือน้ําลายจากพ่อแรงกายแรงใจจากปู่ย่าตายายที่โหมถมเอาอาหารเนี่ยเป็นคันรถสิบล้อเลยบางคนเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ต้องลงทุนเป็นคนละหลายล้านมากเป็นสิ บ, ส, บสิบล้านถ้าเราเนี่ยหากินด้วยตัวเราเองไม่มีผัวมีลูกเนี่ยไม่มีเมียเนี่ย มันก็รอดปากเกี่ยวปากกาเขาเรียกว่าเอาตัวรอดแน่นอนบุพกรรมไม่ปากกรรมมองเห็นกันอยู่ติดหูติดตาติดเธอโบเลยอยู่กับเราทั้งวันเราก็เห็นปู่เราญาเราเนี่ยแก่งมเลยล้วนแต่เป็นอันที่จังไหมเป็นของไม่เทีย่ยงปู่ญานี่ก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็เคยแอบรักแล้วก็ร่วมชีวิตกันมาปลูกบ้านกว่าจะได้ตาละหลังนี่ไปครึ่งชีวิตห้าสิบปีหกสิบปีพอเลี้ยงลูกโตแข็งแรงทุกคนก็หวังว่าจะพึ่งลูกก็จะได้อยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวปลูกบ้านไว้ไอ้ลูกทิ่โตมาก็ได้ผัวได้เมียก็อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง นะเหมือนนกเนี่ยมันปีกก้าขาแข็งมันก็บินทิ้งหลังทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปมันก็ไปมีครอบครัวไปมีชีวิตของมันชั้นใดชั้นนั้นสัตว์ก็ดีมนุษย์ก็ดีร้วนแต่เป็นของอนิจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเวียน่หยตายเกิด เป็นบุปกรรไม่บากรรมเคาะกรรมเหมือนกับโรงละครหรือนรกนรกกูมิในชีวิตเลยคนที่กำลังเปิดใจรักเนี่ยมีความรักเนี่ยหูกหนวกพ่อแม่สอนยังไงก็ก็ไม่เชื่อพอชายนุมบอกรักคำเดียวเนี่ยฉันรักเธอเท่านั้นไอเริบอยู่เท่านั้นเอง บางคนยังไม่ได้พูดอะไรเลยชูสามนิ้วเนี่ยนยชูนิ้วสั ญ, ญลักษณ์เนี่ยโอ้โหบา้าขัาง่งขัง่งใครอยู่เป็นร้อยโลเป็นพันโลเป็นหมื่นลี้พันลี้ยังยังไปหากันเล ย, เยโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตมีไลน์มีส่งภาพมาหเห็นเลยบางคนก็ส่งภาพคนอื่นมารอกิ๊กมาเลย บางคนก็สวยแช้งกระเดะมาเลยแต่ไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมทางนั้นขนาดภาพเนี่ยมันยังหลอกเราต้องนึกถึงใจเราสิต้องถามใจเราเนี่ยเราจะรักคนในร้อยคนเอามาไว้ในใจพร้อมกันและเท่ากันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พ่อแม่ยังรักลูกไม่เท่ากัน ผัวรักเมียบอกว่ารักวันยังข้ามคืนยังลุง่มยังไม่ปีเมียน้อยหาว่าเมียมันน้อยเกินไปก็หาเมียให้มันมากมากผู้หญิงก็เช่นเดียวกันผู้หญิงก็มองเห็นผู้ชายรักร้อยคนเนี่ยเท่ากันมันเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงบางทีก็มีชู้กับผัวมีผัวแล้วก็มีชู้ไปหลับนอนกับคนอื่น สรุปแล้วเนี่ยกามตันหากามก็คือฟันกามเนี่ยมันแข็งแรงมากค่อยๆนึกไปฟันด้านหน้าเนี่ยมันจะแข็งแรงเท่ากับฟันกามมันไม่มีขากันไกเนี่ยมันติดเทอร์โบติดฟันกามเราเข้าไปรึกเข้าไปอยู่ทางในแน่นมากฟันกราม ฟันกรามเราใ่อยู่ซี่สุดท้ายบางทียังงอกแซมออกมาอีก เ, อเรียกว่าฟันคุดเนเราเคยพิจารณาอย่างหลวงพ่อหรือเปล่าฟันกรามเนี่ยมันบทขยี้อาหารสิงสาราสัตว์เป ت, ็ดอสุรกายสัตว์เดรชานที่มันเป็นวิบากกรรมรูปนามอย่งกรรมเป็นกุ้งบ้างปูบ้างวัวควาย หมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยเราบดขยี้แหลกไมหมดแล้วก็กืนกินเข้าไปในในท้องของเราเราก็เนี่ยสมัติฐก็พิจารณาด้วยวิปัสนาควบคู่กันไปเพราะเราไม่รู้มาก่อนเมื่อเรารู้ว่าโอ้อาหารเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันก็มีการเสพสืบพันเหมือนมนุษย์นี่แหละ แต่มันอยู่ในสัตว์เดรัจฉานเ้าเรียกว่าตกนรกอยู่ในอบายภูมไบยภูมิก็หมายถึงภูมิของสัตว์สัตว์ต่างๆในรูปนามของกรรมที่ออกมาเป็นรูปนามรูปนั้นบางรูปนี้บางกุ้งมีลักษณะอย่างนี้ป่ามีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสัตว์นรก ที่มีรูปนามไปตามสภาพของกรรมรูปนามแห่งกรรมมนุษย์ก็มีรูปนามแห่งกรรมเห็นไหมเมื่อเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็เกิดไปเป็นสัตว์เป็นมแมลงเป็นผึ้งเป็นแมงวันเป็นหนอนเป็นอะไรมันมีวงจรชีวิตของมันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดมีความรักก็แสดงว่าเปิดประตูนรกนะ เราก็ถามตัวเราว่าถ้าเราไปปิ้งไครเนี่ยไปมองเห็นโอ้โหถามตัวเองว่าอา ย, ยานรกเรามันเปิดแล้วเนี่ยประตูนรกเปิดแล้วคาว่านรกเนี่ยมันหว่านข้าวไม่ขึ้นนีปลูกพืชอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะว่าพื้นที่มันลกก็คือมันลุงลังไปหมดคําว่าลกลุงลังนั่นเองรังก็หมายถึงว่า ครอบครัวนั่นเองครอบครัวในโรงครัวนี่มีทั้งเปรี้ยวหวานมันเค็มทุกรสชาติเลยกว่าจะได้กินต้องปรุงแต่งกันบางคนสับบางคนหัน่นสั้นยาวบางคนต้องละเอียดมันต้องตามันต้องโขกใส่เปรี้ยวใส่หวานใส่เผ็ดใส่ร้อนใส่เค็มใส่เข้าไปทุกรสชาติที่ปรุงแต่งเอามาเป็นอาหารให้เรากินได้มากๆกินได้เยอะ เอามารอเรี้ยงชีวิตใส่กุ้งหอยปูปลาใส่หมูใส่เป็ดใสไก่เข้าไปสัตว์พวกนี้เนี่ยมันเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มันก็เป็นสัตว์นรกเราก็เก็บขยะมากิ น, เ, นเมื่อกินเขารือบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยสารอาหารเหล่านี้ก็เข้าไปในกระแสเลือดเลือดของเราตอนเด็กๆ ก, ก็บริสุทธิ์ใสสะอาด เด็กเวลาทายปัสสวาวะออกมาอุจจาระเนี่ยก็มีกลิ่นไม่เหม็นเหมือนกับเรา เ, เราลองฉีดใส่กระป๋องแล้วก็เด็กใส่กระป๋องแล้วก็เอามาดมกันเอามาทิ้งแล้วก็มาดมกันใส่ผ้าก็ได้ของท่านในขณะนี้ถ้าดมเนี่ยคือเป็นลมเดียวนั้นเลยนอกเลยของเด็กก็จะมีกลิ่นอ่อนๆไม่เหม็น เพราะเด็กเนี่ยยังมีจิตบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์เหมือนเปดมันกินแค่น้ำเลือดน้ำเหลืองของพ่อแม่เท่านั้นเองแต่มนุษย์เนี่ยหลุดจากเปดเนี่ยก็กลายเป็นปีศาจนะเป็นยักษ์เป็นมารกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างกินกระทั่งภูเขากินถนองนม้มถนนกินหมด เครื่องบินเรือดำน้ำก็กินหมดยิ่งกว่าปีศาจยิ่งกว่ายักษ์มานอีกปลาอยู่แสนลึกอยู่ในทะเลก็ควานเอามากินสัตว์อยู่ในรูในดินก็ขุดขึ้นเอามากินขุดคุ้ยขึ้นมาร่างกายที่เคยสะอาดก็สะสมความเป็นหมดหมองก็คือสัตว์นรกเข้าไปอยู่ในใจในกาย เมื่อจิตใจเราเนี่ยหมกบุ้นอยู่กับสัตว์ต่างๆที่ตกอยู่ในอวา ย, ยภูมิแล้วเมื่อเราบริโภคมากเข้าไปมากเข้าไปเลือดเราจากเลือดแดงเนี่ยก็กลายเป็นเลือดสกปรกโสโครกลายเป็นเลือดดำเมื่อเลือดดำวิ่งเข้าสู่หัวใจเนี่ยจะต้องมีปอดฟอกอีกมีอากาศที่บริสุทธิ์กับอากาศที่ไม่บริสุทธิ์อีก บอกแล้วเข้าไปในหัวใจก็หล่อเลี้ยงร่างกายไอหัวใจที่เคยบริสุทธิ์เนี่ยมันก็เริ่มหยาบขึ้นกระด้างขึ้นยินดีตามสภาพเข้าสู่สภาวะบุพกรรมที่พ่อแม่ทำไว้อย่างไรลูกก็จะได้ผลเช่นนั้นเขาถึงบอกต้นไม้ตกไม่ไกลต้นเอาระเจ้าเจ้าอย่างนี้ เราได้รู้แล้วว่าสมถะได้พิจารณากายในกายวิปัสนาคือปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเราได้เห็นได้รู้ที่หลวงพ่อพูดต้นเหตุแล้วก็เหตุแห่งความที่จะต้องเกิดก็คือความรักเรียกว่าการมตัิหาเราจะค่อยๆทะลุทะลวงหาเหตุหาผลรู้ตัวรู้ตนที่แท้จริงเข้าไปเรื่อยๆ เมื่อเรามีเหตุมีผลรู้ตัวรู้ตน ว, ว, ว่าเบื้องต้นทำกลางเป็นอย่างไรชีวิตเบื้องต้นเป็นอย่างไรเบื้องปลายเนี่ยมันต้องเป็นอธิจังจะต้องเป็นของไม่เที่ยงเป็นวัตฏะเวียน่ายอยู่อย่างเนี้ยเราจะให้มันเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดหรือพอเราเข้าสู่วิปัสสนาได้การพิจารณาในกายเรียกว่าสมรตะ เข้าสู่วิปัสสนาก็มองเห็นวัตตะมองเห็นโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นมองเห็นภัยปิดประตูนรกก็คือเราไม่วุ่นวายแล้วอยู่ไปก็ไปวันๆเพื่อให้มันดับไปดับไม่มีเชื้อนั่นคือพระอรหันต์คว่าดับไม่มีเชื้อก็หมายถึงว่าไม่มีความโรคไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเห็นเป็นของอนิจจัง เป็นของไม่เที่ยงเห็นนี้ทำให้เกิดทุกข์ก็ดับทุกข์อันนี้จังทุกขังอนัตตาคือเกิดขึ้นย่อมเสื่อมสลายเป็นในที่สุดไม่มีอะไรเลยชีวิตปรุงแต่งอารมณ์เกิดขึ้นเราก็กําจัดมันเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลเราก็กําจัดมันเหมือนเราทำความสะอาดวัดทำความสะอาดร่างกาย แต่เราไม่เคยทำความสะอาดใจของเราถ้าเรารู้เหตุรู้ผลเราก็ปัดกวาดใจเมื่อปัดกวาดใจเราก็สะอาดก็คือจิตนั่นเองจิตที่เขาเรียกว่าหัวใจก็คือจิตนั่นเองจิตได้สานึกเราอย่ายึดมั่นถือมั่นนะเราไปผูกติดยึดติดนะ ตราตรึงหัวใจเราว่างันติดตาติดใจนั่นเองตรึงไว้ที่หัวใจเหมือนไม้กางเขนมันตรึงอยู่พอตรึงมากมากมันก็ขาดเขาเรียกว่าจะขาดใจความรักเนี่ยมันมีหลายระดับเนเอาละเจ้าๆอย่างนี้ค่อยๆถอนสมาธิเพื่อจะได้กวดน้ำสืบต่อไป